คนน้อมเข้ามาปัจจตังเวดิตะโบวินยูหิตจะได้แสดงในข้อโพดชงซึ่งได้แสดงมาแล้วในส่วนที่ประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมทั้งสี่ในวันนี้จะได้นำกลับเข้ามา สูแนวมหาสติปัฏฐานโดยยกโพชงขึ้นเป็นหลักปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้งสี่ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรและก็ถึงความเข้าใจในเบื้องต้นว่าในพระสูตรใหญ่นี้ได้ทรงแสดงโพชงไว้ ในหมดธรรมารุ ป, ปสนาสติปัฏฐานตั้งสติตามดูทำอันเริ่มเร่ข้อริวรต่อมาข้อขันห้าข้ออายยตนาหกยิ่งถึงข้อโพดชงและต่อจากโพดชงก็ เข้าอริยสัจทั้งสี่เป็นที่สุดสติสัมโพชงองคแห่งความรู้พร้อมคือสติสติในข้อนี้ึ่งทำความสำคัญว่าคือสติเพื่อความรู้พร้อมอันเรียกว่าสัมโพชงหรือโพชงและ เมื่อให้ประกอบด้วยสติปัฏฐานทั้งสี่ก็คือสติที่กำหนดดูกายเวทนาจิตและธรรมะในจิตนั่นเองระนันทั้งสี่นี้จึงเป็นที่ตั้งของสติสติที่ตั้งกำหนดดูกาย ตามที่พระุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้กตั้งตนแต่กำหนดดูลมให้ไก ล, ลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกที่ตนเองกำหนดดูอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนกำหนดดูทำความรู้ตัวในอิริยาบถย่อยๆออกไป ก้าวไปข้างหน้าถอยข้างหลังแลเหลียวเหยียดกายที่คู่ออกไปคู่กายที่เหยียดเข้ามาทรงผ้านลุงหมเราเป็นพิสุกก็ทรงบารและกินดื่มเคี้ยวลิ่มทายหนักเบาเดินยืนนั่งนอนตื่นพูดหนิง กำหนดดูอาการทั้งหลายที่มีในกายนี้คือผมขนเล็บฝันหนังเนื้อเอ็นกระดูกยื่นในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดและปอดไส้ใหญ่ไส้เล็กสายหรือสายรัดไส้ อาหารใหม่อาหารเก่าและน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือดน้ำเงือน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อหมูดกำหนดดูธาตุทั้งสี่ ในกายนี้ส่วนที่แข่นแข็งก็เป็นปทัทวีธาตุส่วนที่เออบาบเหลีวไหลก็เป็นอาโปธาตุส่วนที่อบอุ่นร้อนก็เป็นเตโชธาตุส่วนที่พัดไหวก็เป็นวายโยธาและกําหนดดูว่าชาทั้งเก้าแม่ไม่เห็นก็นึกดู ด้วยใจถึงกายของมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเมื่อสิ้นชีวิตก็เป็นศพที่เขาทิ้งในป่าชาในครั้งโบราณก็ตายวันหนึ่งสองวันสามวันขึ้นพองมีสีเขียวน่าเกลียดถูกสัตว์ทั้งหลายกัดกินเป็นโครงกระดูกที่ยังมีเนื้อมีเลือด มีเส้นเอ็นรึงรัดที่ไม่มีเนื้อแต่ยังเปื้อนเลือดมีเส้นเอ็นรึงรัดไม่มีเนื้อไม่มีเลือดแต่ยังมีเส้นเอ็นรึงรัดเป็นโครงร่างกระดูกอยู่และที่ไม่มีเส้นเอ็นรึงรัดกระดูกจึงกระจัดกระจายไปกระดูกมือก็ไปทางหนึ่งกระดูกเท้าก็ไปทางหนึ่ง กระดูกขาก็้าไปทางหนึ่งกระดูกเอวเขาไปทางหนึ่งกระดูกดนหลังก็ไปทางหนึ่งกระดูกปกก็ไปทางตีบลงก็ไปทางหนึ่งกระดูกอกเไปทางหนึ่งแขนก็ไปทางหนึ่งบ่าก็ไปทางหนึ่งขอก็ไปทางหนึ่งลูกคางก็ไปทางหนึ่งวันก็ไปทางหนึ่งศีรษะเข้ไปทางหนึ่งเราจะกระจายกันไปทุกที่มีสีขาวดังสังเป็นกระดูกที่ ลวงเลยเวลากว่าปีหนึ่งก็จัดกระจายเป็นกองเล็กกองน้อยเพื่ะในที่สุดก็เป็นกระดูกผุพ่นไปหมดกงหนดดูกกยนี่ตั้งแต่หายใจเข้าหายใจออกมาจนสิ้นหายใจเป็นศพดังกล่าวและก็เมืองตอนก็ไม่มีเมื่อถาดทั้งหลายมันประชุมกันเข้าก็ เป็นกายนี้ขึ้นกระทัดถาดทั้งหลายที่มันไปชุมกันเข้าแตกทำลายกายนี้ก็เริ่มเปื่อยเน่าอุปุญไปจนเป็นผงธุลีกลับเป็นไม่มีเหมือนยังเก่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสอนให้พิจารณากายนี้ให้ตลอด ดังนี้เป็นตัวสติที่กำหนดดูดูด้วยตาเนื้อที่เห็นได้ในส่วนที่เห็นได้ในส่วนที่ไม่เห็นเช่นว่าศพที่ทิ้งไว้ในป่าชาก็คิดด้วยใจโดยดูถึงกายนี้เมื่อสิ้นชีวิตหากทกทิ้งไว้ในป่าชาก็จะต้องเป็นเช่นนั้นและเมื่อยังมีชีวิตอยู่ าทั้งหลายยังประกอบกันอยู่ก็เป็นกายที่มีอาการทั้งหลายปฏิบัติหน้าที่ที่เรียกว่าอาการก็แปลว่ากระทำทำงานเช่นผมก็มียาวขึ้นได้ขนก็ยังอยู่เป็นปกติเล็บก็ยาวได้ฟันก็ดำรงอยู่ หนังก็ยังดำรงอยู่ทำหน้าที่เป็นหนังอวัยวะภายในเช่นทุดใจก็เต้นอยู่ตลอดเวลากรอตางก็ทำงานดำหน้าที่ของอาการทั้งปวงและเมื่อรวมกันเข้าเป็นกายก็มีอินิยาบทยืนเดินนั่งนอนและอินิยาบทที่ จำแนกย่อยออกไปและข้ดสําคัญก็คือว่าให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่อาการให้ใจเข้าให้ใจออกนี้เรียกว่าปานะหรือปราณเป็นสัญลักษณ์ของความมีชีวิตที่ปรากฏเพราะฉะนั้นจึงเอาลมให้ใจนี้มาเป็นชื่อของสัตว์มีชีวิตตัวาปานโน คือปราณหมายถึงสัตว์มีชีวิตก็หมายถึงว่าคือยังให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่นี้เองในคำปราณารีบัิทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปก็คือทำสัตว์ที่หายใจนี่ให้ตกลงไปลมปราณจึงเป็นที่ กำหนดหมายอย่างสำคัญของชีวิตมาตั้งในโบราณกาลจนถึงเป็นคำแปลของค า, าอัตตาหรืออัจมันในสันสกฤตมารีว่าอัตตาที่เรามาใช่ว่าอัตมันหรือที่พระเรียกตนเองว่าอจตมาหรืออัตมภาพอัตตานี้ ก็มีคำแปลว่าหายใจอย่างหนึ่งเพราะว่าสัตว์บุคคลโตจนเราเขาที่ดํารงชีวิตอยู่ก็กําหนดกันง่ายๆด้วยอย่างหายใจเข้าหายใจออกอยู่และอยัางหายใจอยู่ก็แปลว่ายังเป็นรัฐมีชีวิตอยู่ยังเป็นอัตราโตจนอยู่ยังไม่ตาย เพราะฉะนั้นรพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ตั้งสติกำหนดดูให้รู้จักกายที่แยกเป็นส่วนต่างๆเหล่านี้ให้รู้จักวันนี้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนนี่อิริยาบถปลีกย่อย ก้าไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังแหลเหลียวเป็นต้นนี่ผมนี่ขนนี่เล็บนี่ฟันนี่หนังเป็นต้นนี่เป็นปัวีธาตุธาดลินนี่เป็นอาปโปธาตุธาดน้ำนี่เป็นเตโชธาตุธาดไฟนี่เป็นวายโชธาตุธาดลมและก็เมื่อแสดงโรยความสัมพันธ์กันต่อไป เมื่อกายนี้เองยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นกายที่ปรุงแต่งอยู่ทุกส่วนปรุงแต่งนี้มาจากคำว่าสังขารที่แปลว่าปรุงแต่งเห็นว่าหัวใจก็ยังเต้นตับปอดเป็นต้นก็ปฏิบัติหน้าที่เลือดก็ยังฉีดเลี้ยงร่างกายแรล ว, ว่าทํางาน การทำงานของร่างกายซึ่งมีชีวิตอยู่นี่คือสังขารที่เปลีนปรุงแต่งยังปรุงแต่งและเมื่อกายยังเป็นสังขารคือยังปรุงแต่งอยู่ตั้งตนแต่ยังให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่ดังนี้ก็ทำให้เกิดเวทนาเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางกลางเป็นทุกข์ไม่สุขบ้าง แต่ถ้าหากว่ากายนี้หยุดปรุงแต่งคือเป็นศพส่วนทั้งหลายของร่างกายก็หยุดปฏิบัติหน้าที่คือหยุดปรุงแต่งหัวใจปอดเป็นต้นก็หยุดทำงานหายใจเข้า ใ, ใจออกก็ดับหยุดหยุดปรุงแต่งเ <c oughs> มื่อหยุดปรุงแต่งดังนี้เวทนาก็หมดไปสุขทุกข์ หรือเป็นทางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขก็หมดไปเหมือนดัางศพเขาเอาเผาก็ไม่เจ็บไม่รู้สึกหนาวไม่รู้สึกร้อนเป็นต้นไม่มีเวทนาแต่เมื่อร่างกายยังเป็นสังขารคือยังปรุงแต่งอยู่เป็นร่างกายที่มีชีวิตก็มีเวทนา เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างและเมื่อมีกายมีเวทนาดังนี้ก็ยังเป็นกายที่ยังมีจิตใจครองอยู่ยังไม่ดับจิตถ้าดับจิตก็แปลว่าก็ดับเวทนาแล้วก็ดับความปรุงแต่งของกาย เป็นศพหลังที่กล่าวมาและจิตนี้เองก็เป็นสิ่งที่คู่กันอยู่กับกายดังที่เรียกว่ากายจิตทุกคนคงมีกายมีจิตซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสแยกออกไปอีกในที่อื่นเป็นธาตุหกว่าบุรุษบุคคลนี้มีธาตุหกคือ ธาตุดินธาตุน้านําธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศคือช่องวงเป็นห้ากับวิญญาณธาตุธาตุรู้เป็นที่หกธาตุรู้นี่เองคือจิตหรือเราแปลกันเป็นภาษาไทยว่าใจหรือเรียกโคกันว่าจิตใจและเมื่อมีจิตจิตสามัญทั่วไปก็เป็นจิตที่ยังมีกิเลส มีราคะโทสะโมหะมางคราวก็สงบไม่ปรากฏราคะโทสะโมหะและเมื่อมาปฏิบัติธรร ม, มากเข้า<ม>ก็ทำจิตให้เป็นจิตมีสมาธิได้ให้วิมุิได้ในที่สุดพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนต่อไปให้กำหนดดู ธรรมะในจิตเมื่อจิตมีราคะโทสะโมหะตัวราคะโทสะโมหะนั่นแหละเป็นอกุศลธรรมในจิตแต่สมาธิก็ดีสติก็ดีวิมุตตก็ดีก็เป็นกุศลธรรมในจิตเพราะฉะนั้นจึงมาถึงธรรมะคือสิ่งที่บังเกิดขึ้นมีอยู่ในจิตก็นเลยกระเจตสิกใน อภิธรรมที่แสดงไว้ธรรมะที่มันเกิดขึ้นในจิตจึงได้ตรัสสอนให้ตั้งสติกําหนดดูอกุศนธรรมก่อนซึ่งมาจําแนกเป็นนิวรณ์ห้าซึ่งบังเกิดขึ้นอยู่ในจิตสามัญทั่วไปเป็นกายอกุศแลแต่เมื่อตรัสสอนให้ตั้งสติกําหนดดูนิวรณ์ห้าดังนี้แล้ว จึงได้ตรัสสอนต่อไปให้กำหนดดูขันท่าขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าก็เพราะว่าอากุศลมันส่วนว น, นิวรนี่ก็อาศัยขันท่านี่แหละมันเกิดขึ้นหรือว่าอาศัยกายเวทนาจิตนั่นนี่แหละมันเกิดขึ้นที่ตรัสมาแล้วคือกายเวทนาจิต แต่มาถึงตอนนี้ได้ทรงจำแนกใหม่จากสามข้อกายเวทนาจิตนี้เป็นห้าข้อโดยเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาตโดยที่ทรงเรียกกายในข้อหนึ่งของทิปฐานมาเป็นรูป เวทนาก็คงเรียกชื่อเป็นเวทนาเหมือนอย่างเดิมมาถึงจิตก็ตรัสจำแนกอาการของจิตเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาตเป็นวิธีสําหรับที่จะให้กําหนดดูกายเวทนาจิตธรรมให้ละเอียดยิ่งขึ้นัละโดยเฉพาะในข้อจิตข้อที่สามองทิ่ประฐานการดูจิตก็คือดูสัญญา ดูสังขารรูวิญญาณจำแนกอาการของกิจต่อไปเป็นสามในขันท่าก็รวมเป็นขันท่าซึ่งขันท่านี่แหละที่เป็นวิบากซึ่งทุกคนเกิดมาก็มีขันท่ามาเริ่มตั้งแต่ถือกำเนิดมาจนถึงปัจจุบันเป็นแต่เพียงว่าได้มีความเติบใหญ่ สมบูรขึ้นจากทีแรกที่เริ่มก่อตัวเป็นขันท่าที่บริบูรณ์เป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณอย่างเต็มที่ดังที่ทุกคนมีอยู่เป็นตัววิบากและตัววิบากนี้เองที่ตรัสว่าเป็นอพยากตะธรรมะคือธรรมะที่เป็นอภยากิต ไม่ยืนยันว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลคือเป็นกลางกลางกิเลสทั้งหลายก็อาศัยขันห้านี่ 5, แหละมันเกิดขึ้นคือเกิดขึ้นที 5, ่ขันห้ <|hi|> าดับไปก็ดับไปที่ขันห้ากุศลธรรมทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเกิดขึ้นที่ขันห้าดับไปที่ขันห้าเป็นคราวๆไปเป็นต้นว่าเมื่อกามะชันมันเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่ขันห้า ที่รูปที่เวทนาที่สัญญาทีสังขารที่วิญญาณและเมื่อดับไปก็ดับไปที่ขันห้าไฟกุศลธรรมก็เหมือนกันการที่จะปฏิบัติธรรมะเช่นว่าทรรมสติทำรรสมาธิก็อาศัยขันห้านี่แหละทำขึ้นสติก็เกิดขึ้นดับไปที่ขันห้าฉะนั้นก็ต้องเข้าใจว่าทั้งกุศลทั้งอกุศลเกิดดับทั้งนั้น ยกตัวอย่างเช่นว่ากามาชันมันเกิดขึ้นดนังกล่าวเรามาทำส ต, ติปัฏฐานจเจริญสติที่ไปในกายพิจารณาให้เห็นว่าที่ตั้งของกามาชันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สวยงามเมื่ออสุภาสัญญาปรากฏขึ้นกามาชันก็ดับแล้วเมื่อกามาชันดับสติ กับอสูบะสัญญานั้นก็ดับเพราะว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ในการที่จะทำลายการมาชันได้แล้วการมาชันหมดไปแล้วก็หมดหน้าที่ก็ดับเพราะฉะนั้นทุกๆคนจึงต้องปฏิบัติกันอยู่เสมอเช่นว่ารานี่มังเกิด กิเลสขึ้นจเจริญกรรมฐ า, านดับกิเลสได้กรรมฐ า, านที่เกิดขึ้นดับกิเลสนั้นก็ดับไปด้วยเหมือนกันกันกบกิเลสเพราะฉะนั้นจึงต้องทํากันใหม่ต้องทํากันใหม่อยู่เรื่อยไปทุกคราวที่กิเลสมันเกิดขึ้นถ้าหากว่ากรรมฐ า, านที่ทำได้นั้นตั้งอยู่ไม่ดับไปก็ไม่ต้องปฏิบัติกันใหม่ การปฏิบัติธรรมะก็เป็นดังนี้ในเบื้องต้นต้องเป็นดังนี้จนกว่าจะเป็นมรรคผลนิพพานซึ่งเป็นอริยัตมรรคอริยพนนิพพานดับกิเลสเด็ดขาดมรรคผลนิพพานมรรคผลนั่นก็ดับนิพพานตั้งอยู่ก็นับมรรคผลนั้นมีหน้าที่ดับกิเลสกิเลสดับมรรคผลก็ดับ อันนีิพพานตั้งอยู่เป็นอมรรตธรรมเหล่านี่ก็อาศัยขันห้าทางนั้นกิเลสเกิดก็อาศัยขันห้าดับก็อาศัยขันห้าดับที่ขันห้าไหวทำมาปฏิบัติก็เหมือนกันก็เกิดดับที่ขันห้าขันห้าจึงเป็นแหล่งสําคัญอันเป็นที่เกิดดับของทั้งกิเลสของทั้งของของกุศลธรรมทั้งหลาย พระพุทธเจ้าจึงได้สงวางคันห้าไว้ตรงนี้อันเป็นต้นทางที่จะปฏิบัติเพื่อสมโพธ์ชงคือความรู้พร้อมต่อไปจึงได้สแสดงอาจตนะกับสัญญตซึ่งสืบต่อไปจนถึงอริยสัจเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เป็นการสกแสดง สติปัฏฐานโดยอาศัยหลักสติสัมโพชฌงค์คือว่าเมื่อปฏิบัติมาถึงสัมโพชฌงค์นี้ก็เป็นการทําสติเพื่อความรู้พร้อมการปฏิบัติทําสตินั้นก็ทําสติคือความกําหนดดูในสติปัฏฐานนั่นแหละมาโดยลําดับตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอน มันจะถึงขันห้าดังที่กล่าวแล้วก็จะก้าวขึ้นไปสู่อาจตนะสัญญตอันเป็นข้อที่พระพุทธเจ้าจะสัตว์ชี้ให้เห็นถึงความเกี่ยวโยงกันของกิเลส ท, ทั้งหลายและต่อไปอริยสัจซึ่งเป็นความดับกิเลสกินงต้องใช้สติที่เป็นตัวตามดู ซึ่งเป็นอนุปัสนาเพื่อวิปัสนาคือความดูให้เห็นแจ้งอันเป็นสัมโพธิชงความรู้พร้อมต่อไปนี้ก็ขอขให้ตั้งใจฟังดูและตั้งใจทำความตาวสบสืบต่อไป